เ็ดวันแล้วนะนับตั้งแต่วันอาสาบูชาหลายคนที่เคยรู้สึกว่าวันแรกๆนี่มันผ่านไปอย่างเ ช, ช้าชก็คงจะพบว่าตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเร็วขึ้นอันนี้เพราะว่าร่างกายและจิตใจเรานะปรับตัวได้ที่เคยนอนตื่นสายหรือไม่เป็นเวลานะ ตอนนี้ก็จะพบว่าร่างกายมันนะเริ่มปรับตัวเข้ากับจังหวะชีวิตของที่นี่ตื่นตีสามตีสามครึ่งแล้วถึงเวลาสามทุ่ม4ี่ทุ่มกนะ็ก็รู้สึก ง, ง่วงแล้วนะไอ้ที่เคยนอนดึกหรือว่านอนตาค้างนะจนกว่ามันจะเลยเที่ยงคืนไปก็ก็เริ่มจากค่อยๆนะปรับตัวเข้ากับ จังหวะของธรรมชาติที่นี่ถ้าจากนี้ไปนะเราจะรู้สึกว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นอาทิตย์แรกนี้ก็ยังผ่านไปอย่างเชื่องช้าอยู่นะสำหรับหลายคนแต่ว่าเพอปุ๊บเดียวก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วเพอไปอีก2อสาแวบก็ออกพรรษาพอดนะีอันนี้เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติคนเรานะที่ปรับตัว เเข้ากับสิ่งต่างๆได้หลายคนทีนะ่การกินการอยู่เป็นเรื่องยากมาที่นี่ก็ให้ถือว่านะเรามาฝึกเพื่อที่จะอยู่ง่ายกินง่ายถึงแม้ไม่ตั้งใจฝึกนะแต่ว่ามันก็จะเป็นไปเองถ้าเราไม่ไปไปขัดขวางการปรับตัวของร่างกายและจิตใจหลายอย่างเนี่ยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแล้วก็หมู่คณะเนี่ยมันจะค่อยๆช่วยกล่อมเกลาตัวเราเนี่ยให้เป็นอยู่แบบเรียบง่ายมากขึ้นแล้วก็จิตใจนะก็จะเริ่มสงบมากขึ้นแม้จะไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเป็นไปเองนะแต่ว่าเท่านี้ไม่พอนะการที่ บางสิ่งบางอย่างในตัวเราเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเราจะวางใจหรือพอใจเท่านี้มันไม่ได้นะเพราะว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเนื่องจากสิ่งแวดล้อมหลายคนนะที่เคยติดเหล้าจนะรกระทั่งไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรก็มาบวชพระ เพราะว่าในใจก็รู้ดีว่าเนะี่ยถ้าไม่มาบวชนี่ก็ก็คงจะถอนตัวจากเหล้านะไม่ขึ้นพอมาอยู่วัดก็สบายนะที่เคยนะมีอาการกระสับกระส่ายหรือลงแดงก็ค่อยๆหายไปเริ่มนอนเป็นเวลาที่การกินที่เคยยากก็กินได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเจริญอาหารนะ ใจิตใจก็เริ่มสงบความว้าวุ่นก็น้อยลงบวชได้ประมาณสอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนรนะู้สึกดีขึ้นแต่พอสึกออกไปนี่นะบอกก็ว่ากลับไปสู่อีรอปเดิมนะเพราะว่ากลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมไอ้ที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็วิธีช่ยของความเป็นพระ ของนักบวชเนี่ยมันกล่อมเกล้าให้กายและใจเนี่ยมันกลับคืนสู่ความปกติความสมดุลคนที่เจอความเปลี่ยนแปลแบบนี้ก็ อ, อาจจะประมาทนะคิดว่าเอ้ยฉันฉันดีแล้วนะฉันเอาชนะมันได้แล้วหารู้ไหมว่าเนะี่ยที่เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างหากขั้นเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะจากสิ่งแวดล้อมนะแบบอารามเนะี่ย กลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมๆเจอคนเดิมๆเพื่อนเดิมๆวิธีช่วยแบบเดิมๆก็เลยกลับไปนะเป็นท่าของเราเป็นท่าของอบายมุกใหม่อันนี้เกิดขึ้นนะกับคนจำนวนมากจะเรียกว่าพาอประมาทก็ได้เพราะแ น, น่จะรอให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลงไปเองนะโดยสายสิ่งแวดล้อมช่วยก่อกานี่มันไม่พอนะ อนนเรกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามน้ำนะมันไม่พอเราต้องลงมือหรือตั้งใจปฏิบัติ ด, ด้วยนะจะปล่อยให้ลอยตามน้ําอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าน้ำมันเปลี่ยนกระแสเมื่อไกรก็เสร็จเราต้องรู้จักนะพายเรือให้เป็นนะถึงเวลาน้ําเปลี่ยนกระแสนะกระแสน้ําเปลี่ยนเราก็ยังสามารถพายเรือทวนกระแสน้ําได้ เมื่อมาที่นี่เนี่ยนะก็ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีเป็นโยมนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับใจเราเกิดขึ้นกับกายเราก็ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าพอใจเท่านั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติ ด, ด้วยการปฏิบัติที่นี่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะนอกจากเรื่องสีแล้วเราก็ให้ความสำคัญการภาวนาฝึกจิตฝึกใจศีลก็สาคัญนะแต่ส่วนใหญ่ก็ทากันได้ ไอ้ที่ทำไม่ค่อยได้เพราะอ้างว่ายากก็คือภาวนาไอ้ที่จริงการปฏิบัติหรือภาวนานี่มันไม่ยากนะขอให้ปฏิบัติครูบาอาจารย์หลายท่าน น, นก็บอกว่าไอ้ที่ยากเพราะไม่ปฏิบัตนะิแต่หลายคนก็พบว่าแม้ปฏิบัติแล้วก็ยังยากอยู่ที่ยากส่วนนึ้งก็เพราะว่ามันเป็นของใหม่อะไรก็ตามที่เป็นของใหม่เนี่ยมันยากทั้งนั้น สมัยที่เรายัางเป็นทารกเนี่ยการเดินหรือแม้แต่การยืนเป็นของยากแต่เป็นพ่อเรานะตอนนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะนะพยายามที่จะลุกพยายามที่จะเดินนะยืนแล้วมันก็ล้มแล้วนะก็พยายามยืนใหม่เดินแล้วมันล้มก็พยายามเดินใหม่ทําไปบ่อยๆนะมันก็กลายเป็นของง่ายนะเด็กอายุหกเจปีนะ หรือน้อยกว่านั้นเนี่ยก็จะรู้สึกาการเดินเป็นเรื่องง่ายสมัยเราโตขึ้นมาอายุสามสี่ขวบการเขียนหนังสือเป็นเรื่องยากเขียนกรไก่คอไข่แต่ละตัวนี่มันไม่เป็นตัวเลยนะมันโยเยจำตอนที่เราเป็นเด็กได้ั้มอาตมานี่ยังจำได้เลยเขียนวอแหวนกับอ้ออ่างนี่คล้ายกันเลย นึกไม่ออกมันแตกต่างกันยังไงแต่พอเราเขียบ่อยๆเราคุ้นแลวออแหว น, นี่หัวมันเล็กนะอออ่างนีนะ่หัวมันอยู่สูงขึ้นมาอีกหน่อยนะความคุ้นเคยความจัดเจนนะที่เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากความเพียรของเรามันก็ทำให้สิ่งต่างๆก็ง่ายไปหมดนะที่เคยยากก็กลายเป็นง่ายนะการภาวนาเนี่ยนะโดยว่าการเจริญสตินะ การทำความรู้สึกตัวที่จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะมันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วด้วยซ้ำนะเรามีสติมานะตั้งแต่รู้ความนะเรามีความรู้สึกตัวนะมาตั้งแต่รู้ความนะมงั้นเราไม่สามารถจะโตมาได้หรือแก่จนถึงวันนี้นะแต่ว่าไอ้ที่มีอยู่มันไม่พอนะ มันอาจจะพอสาหรับชีวิตที่ไม่มีอะไรมากระทบมากชีวิตที่ราบรื่นนะแต่ชีวิตคนเรานี่มันก็ไม่ได้ราบรื่นไปหมดนะมันก็จะมีอะไรที่ขุกคลักหรือว่าสิ่งที่กระทบนะให้เกิดความไม่พอใจให้เกิดความทุกข์บางทีมันก็เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าอย่างเช่นคนในเมืองนะในกรุงเทพเนี่ยนะ ตื่นเช้าขึ้นมาไปทํางานตั้งเจอรถติดอันนี้มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ประสงค์ฉนั้นพอเจอรถติดเข้าก็หงุดหงิดนะจิตตกนที่จริงนี่มันยังเล็กน้อยนะมันยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเกิดขึ้นขนาดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประจําในชีวิตประจําวันนี่ก็ยังรักษาใจไม่ได้ก็ยังนะเป็นทุกข์นะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะสติความรู้สึกตัวนี่ ที่มีอยู่เดิมนี้เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ยงั้นก็ต้องจำเป็นต้องมาสร้างนะสร้างกันที่นี่แหละไหนๆก็มาจำรรษาที่นี่หรือมาปฏิบัติที่นี่ก็จะอยู่แบบสบายๆนะเพียงเพราะไม่มีไม่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหรือเพียงเพราะว่าออจะมาพักกายพักใจอันนี้มันไม่พอนะมันต้องลองนะลงมือปฏิบัติด้วย และการเจริญสตินะการสร้างความรู้สึกตัวในพาะแบบหลวงพ่อเทียนนี่มันมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยไอ้ที่ยากเพราะว่าทําไม่ถูกเช่นไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดนะพยายามบังคับควบคุมความคิดไม่ให้เกิดขึ้นถ้าทําแบบนี้หรือตั้งจิตแบบนี้ก็ผิดแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งควบคุมความคิดชนิดที่ว่ามันไม่ผุดไม่โผล่ขึ้นมาในใจเลย แต่ฝึกเพื่อจะให้รู้ทันนะความคิดอันอุาตให้คิดได้จิตมีสระที่จะคิดแต่ว่าขอให้มีสติรู้ทันขณะเดียกั น, ะนกเวลาทำอะไรเนี่ยก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นนะนะสติก็คือว่ามีใจรับรู้อยู่กับการกระทำนั้นๆนะไม่ต้องถึงไปเพ่งไม่ต้องถึงกับเพ่งไม่ว่าจะกินอาหาร นะไม่ว่าจะเป็นการเดินก็ไม่ต้องถึงกับเพ่งนะแค่รู้เบาๆว่ากำลังกินนะกำลังเดินหรือว่าสวดมนต์เนี่ยก็สวดไปตามปกติใจก็อยู่กการสวดมนต์อันนี้ก็เรียกว่ามีสตนะิสติมันเป็นตัวช่วยทำให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทำนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรและพอมีสติอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ย ความรู้สึกตัวกเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะตื่นขึ้นมาเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนะเก็บที่นอนก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นพรนะพุทธเจ้าก็ได้สอนให้พระเนี่ยนะมีความรู้สึกตัวนะท่านก็สอนจนกระทั่งใกล้จะปรินิพพานนะ สามเดือนสุดท้ายเนี่ยนะตอนที่พระองค์ใกล้จะปรรงอ า, อายุสังขารเนี่ยก็ยังสอนเลยนะก็ยังย้านะให้ภาษาว o k เนี่ยนะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งหมายความว่าอะไรไหมความมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วพวกกระองค์ก็อธิบายว่าเนี่ยให้เป็นอยู่ด้วยสติสัพพัญญะ นะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะความรู้สึกตัวก็ให้มันทํนะไม่ว่าจะเดินไปข้างหน้าถอยข้างหลังเหลียวซ้ายแลขวานะคู่หรือเหยียดอวัยว ะ, วะไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขากใ็ให้มีความรู้สึกตัวนะผมจีวครคล้องผ้าสภายบาตนะอันนี้สาหรับพระถ้าเป็นคารวาสก็ ใส่เสื้อนุ่งกางเกงนะก็ให้มีความรู้สึกตัวกินดื่มเคลื่อลืมก็ให้รู้สึกตัวนะอุจจาระปัสสวาวะก็รู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งก็ให้รู้สึกตัวหลับนะก็ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นพูดก็รู้สึกตัวนิ่งก็รู้สึกตัวมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นสามัญอยู่แล้ว ไม่ต้องถึงขั้นว่าบเาเพ็ญฌานให้ได้ฌานสี่ฌาน8นะหรือว่าทำให้เกิดญาณสนะิบหกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็นะกำชับนะาพาสู้ศ์กษให้ทำสิ่งเหล่านี้แหละนะเพราะมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากการทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะการให้การเจริญสตินะให้มีสติในการกระทำสิ่งใด รวมทั้งเวลาเผลอสติใจลอยฟุง้งซ่านนะจมเข้าไปในอารมณ์ก็ให้มีสติรู้ทันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่ต้องไปไปบังคับจิตบังคับใจ ย, ยังไรทั้งสิน้นะจิตมันอยากคิดก็อนุญาตให้มันคิดได้แต่อย่าไปหาไปหาเรื่องคิดให้มันกระเจิดกระเจิงนะถ้ามันจะคิดก็ เป็นเรื่องของมันหน้าที่ของเราก็คือให้มีสติรู้ทันนะไม่ไมเนี่ยก็จะพบว่ามันคิดหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินนะคิดเจ็ดปดเรื่องนะรวดเดียวเลยคิดจากเรื่องนี้นะแล้วมันก็กระโดดไปเรื่องนั้นแล้วก็กระโดดไปเรื่องโ น, น้นนะทีแรกอาจจะนึกถึงงานเสร็จแล้วก็นึกถึงเพื่อนร่วมงานเสร็จแล้วก็ไปนึกถึงพ่อแม่เขานะหรือไม่ก็ ไปนึกถึงรถนะที่เขาซื้อแล้วก็โยงไปถึงนะอุตสาหกรรมรถยนตนะ์ที่กำลังย่ำแย่มันคิดไปไกลบางทียาวไปถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกไปเลยอันนี้เป็นธรรมดาของจิตนะใหม่ๆก็ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าพอเราพอเราเริ่มปฏิบตัติสิ่งที่ทำก็คือไม่ใช่ห้ามคิดแต่ว่าให้รู้ทันนะม่อาจจะคิดไปก้าเรื่องถึงค่อยรู้ทันก็ดีแล้ว นะไม่ต้องเสียใจว่าทำไมมันฟุ้งซ่านอันนี้มันธรรมดาเราก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆทาแบบเล่นๆนะก็คือว่าไม่พยายามควบคุมจิตไม่คิดจะเอาชนะไอ้ความฟุ้งซ่านบางคนตั้งจิตนะจะเอาชนะมันให้ได้ไอ้ความฟุ้งซ่านนี่มันเป็นมารที่มาคอยรบกวนจะต้องเอาชนะมันให้ได้คิดแบบนี้ก็ผิดแล้วนะเพราะว่าพอ คิดจะเอาชนะนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เครียดขึ้นมาทันทีนะหลวงพ่อเทียนถ้านก็ย้านมะาทำเล่นๆนะฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรนะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำไปเรื่อยๆพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือว่าที่เคยคิดแปดเก้าเรื่องรวดเดียวจบหรือว่าไม่ทันจบเนี่ยความคิดมันขหดสั้นลงหดสั้นลงที่เคยเป็นขบวนรถไฟยาวเหยียดนะ 10บตู้สิบห้าตู้มันก็ค่อยหดสั้นเนะหลือแค่เจ็ดแปดตู้แล้วก็หดสั้นนะเหลือแค่สองสามตู้จนกระทั่งบางทีคิดไม่ทันจบเรื่องแล้วก็รู้ทันแนละ้วอันนี้พอคิดเล่นๆอันนี้พอทาเล่นๆนะมันไม่ต้องไปควบคุมบังคับอะไรเลยนะเพียงแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆคือรู้ซื่อ แล้วพอทำไปทำไปความสึกตัวมันก็จะทีก็จะต่อเนื่องมาคืนใจก็จะเบานะไม่ใช่ทำด้วยหน้าดาข่าเคร่งนะนะถึงแม้ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของดีก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทำด้วยอาการค่าเคร่งหรือคร่าเครียดนะทำด้วยความสึกสบายสบายนะทำเล่นๆหลายคนไปคิดว่าโอ้มันทำเล่นๆไม่ได้นะรำมาเป็นของสูงนะการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ จะทําเล่นๆได้อย่างไรอันนี้ก็แปลว่าเรากําลังทําของง่ายให้เป็นของยากนะการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยนะจะว่าไปมันก็เป็นวิธีแห่งความสุขนะคือถ้าเราทําเป็นเนี่ยมันก็สุขมันไม่เครียดมันไม่ทุกข์มันจะฟุ้งซ่านยังไงใจก็ไม่ทุกขนะ์ก็ยอมรับความเป็นจริง ว, ว่าใจเราเป็นอย่างนี้ มันจะพลังมันจะพลาดมันจะเผลออไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่ทําด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนหลายคนไม่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับนวักการปฏิบัติธรรมมันจะทําหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสได้อย่างไรมันต้องเครียดมันต้องเคร่งอันนี้มันก็จะกระเดียดไปทางทารมานตนแล้วนะมันใกล้เคียการทารมานตนแล้วนะก็คือทําตนให้ลําบากนะถ้านั่งที่มันไม่จำเป็นต้องลําบากอย่างนั้นนะ วิถีของพระตัวเจ้าเนี่ยเป็นวิถีแห่งความสุขนะโดยมีจุดหมายคือความสุขอันนี้นะต่างจากความคิดหรือความเข้าใจนะของอคนสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยโดยเพราะพวกนิครณเนี่ยนิครณเนี่ยก็คือพวกเชนหรือพวกที่รวมทั้งพวกโยคีนะ คนที่เขาเชื่อในเรื่องการบรรพชทุกขลักกิริยาเขาเชื่อว่าการพ้นทุกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการทรมานตนเพราะเขาคิดว่าไอ้ที่ยังไม่พ้นทุกเพราะมันยังมีบาปกรรมอยู่และบาปกรรมเนี่ยมันจะหมดไปได้เนี่ยมันจะเปลื่องไปได้ก็ต้องทรมานตนคล้ายๆว่ากับว่าเป็นการชดใช้กรรมเป็นการเหมือนกับว่าทําผิดก็ต้องยอมติดคุกนะหรือยอมถูกทรมาน นะพอติดคุกจบทรมานเสร็จก็เป็นอันว่าพ้นโทษนะความเข้าใจคนสมัยก่อนเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็มีความคล้ลคลายๆกันนีนะ่คือมันจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องลงโทษตัวเองนะต้องลงโทษตัวเองในการทรมานตนไอ้กรรมเนี่ยมันจึงจะหมดไปแต่พระเจ้าเนี่ยนะปฏิเสธในขณะที่พวกนี้เชื่อว่าความสุขจะได้จะเข้าถึงได้ต้องอาศัยความทุกข์ ต้องใช้ความทุกเป็นวิธีทางในการเข้าถึงความสุขผู้เจ้าตัดตรงข้ามว่านะความสุขเนี่ยบุคคลจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยวิธีแห่งความสุขนะนะคราวหนึ่งพระองค์เนี่ยก็เคยน ะ, สะเสด็จไปสนทนากับนิครณ น, นาตบุตรนะก็คือศาสตรามหาวีระสมัยก่อนเนี่ยแม่จรตทิแม้จะมีความเห็นต่างกันนะแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ จะว่าเป็นเพื่อนกันก็ทำนองนั้นก็คือว่าไปมาหาสู่การไปสนทนาธรรมกันบางทีก็ไปแวะเวียนสำนักโน้นบางทีพระองค์ก็ไปหาไปคุยกับนิครณนนตาบุตรบางทีอ่พวกนิครนก็มาสนทนาธรรมกับผู้เจ้าก็มีการอภิปรายถกเถียงแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะ ก, กันนะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่คิดต่างกันก็ทะเลาะ ก, กันละนะยอมกันไม่ได้แต่คนสมัยก่อนนี่นะเขา คิดต่างกันเขาก็ไม่ถือว่าเป็นศัตรูก็สนทนาการแลกเปลี่ยนความเห็นกันคราวหนึ่งพระเจ้าก็ไปสนทนากับนิครนนาตบุตรก็สนทนาเรื่องนี้แหละนะนิครนนาตบุตร บ, บอกว่าความสุขจะถึงได้ต้องต้องใช้ความทุกข์พระเจ้าตัดว่าเนี่ยความสุขมันจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยความสุขนิครนนาตบุตรก็เลยบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรนะ ถ้าเป็นอย่างที่ผู้เจ้าว่าคือจะเข้าจะถึงบรรลุถึงความสุขได้ต้องอาศัยความสุขเนี่ยพระเจ่าผินพิสารก็ต้องมีความสุขกับผู้เจ้าเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติมีความสะดวกสบายมากมายอาหารการกินนะก็มีคนเอามาเอามาให้นะไม่ต้องเดินบิทบาทอย่างผู้เจ้าเสื้อผ้าก็มีที่ประณีตนะ มีสิ่งอํานวยปลนเปลื้อนะให้เกิดความสุขมากมายแต่ผู้เจ้าแย้งว่าท่านรู้ได้อย่างไรนะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีความสุขมากกว่าเรานะแล้วพระองค์ก็ถามอันนี้โครนาตบุตรว่าเนี่ยท่านคิดว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะจะสามารถอยู่นิ่งๆไม่พูดไม่คุยนะเจวันได้ไหม ไม่พูดไม่คุยแล้วมีความสุขด้ยนะนิ่งคนน่าต้องบอกว่าทำไม่ได้หรอกเอางั้นลดเป็นหกวันก็ยังไม่ได้ลดจากห้าเป็นสี่เป็นสามสองหนึ่งแม้เพียงหนึ่งวันพระเจ้าปิ่นปิศาจก็คงทําไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าตถว่าพระองค์ทำได้นะอยู่นิ่งๆไม่พูดไม่คุยนะเรียกว่าอยู่อย่างมีความสุขหนึ่งวันก็ได้สองวันก็ได้สามวันก็ได้จนกระทั่งถึงเจ็ดวันก็ยังได้ ถ้าฉชนนี้แล้วใครมีความสุขมากกว่ากันความสุขนี่มันไม่ได้วัดที่การมีวัตถุสิ่งเสพนะมันไม่ได้มีไม่ได้วัดกับตรงนั้นแต่วัดว่าเนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆแล้วมีความสุขไหมแม้ไม่มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าสามารถอยู่ได้โดยไม่กระสรับกระสายไหมหนี่ครนาบุตรนี่เข้าใจว่าเนี่ยการมีวัตถุสิ่งเสพเนี่ยมันทาให้เป็นมันเป็นวิธีแห่งความสุขนะแต่ถ้าเรา นะพิจารณาดูจะพบว่าการมีวัตถุสิ่งเสพเนี่ยมันให้สุขทางกายก็จริงนะแต่ว่ามันก็เจอไปด้วยทุกข์นะทุกข์ที่ว่าเนี่ยคือทุกข์ใจนะสุขกายนะแต่ทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะต้องห่วงนะในการรักษาที่จริงก่อนจะได้มาก็ต้องเหนื่อยกับการหามาใครมีมากกว่าก็ทุกข์อิจฉาเขา ีเรามีมากกว่าเขาก็ยังไม่พอใจต้องไปหามาอีกนะเหนื่อยการรักษาแล้วถึงเวลามันหายไปก็ทุกขนะ์อันนี้บางทีมันทุกข์ใจด้วยนะมันไม่ได้แค่ทุกข์ใจเนะี่ยบางทีมันทุกข์กายด้วยนะเสพมากๆเขาก็ป่วยนะนะกินเหล้าเมายานี่ก็สุขภาพก็แย่นะที่แรกอาจจะเคลิ่มคล้อยเป็นสุขนะแต่ว่าโรคภัยก็ถามหานะเพราะนั้นเนี่ยนะ วัตถุสิ่งแสบหรือว่าการมีวัตถุปนเปื้อยอย่างพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนะความมันไม่ใช่เป็นวิเทียนความสุขอย่างแท้จริง <S <S วิธีชีวิตของพวกเราที่นี่เนี่ยมันมันสุขกว่านะกว่าที่พระเจ้าพิมพิสารนะประสบซักอีกนะ <S <S โดยเพราะถ้าเราอยู่แล้วเนี่ยนะเราภาวนาด้วยนะ เราฝึกจิตฝึกใจให้มีสติรู้ทันความคิดนะทำให้ความคิดนี่มันไม่มารบกวนจิตใจความคิดนี่มันเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าเราเห็นมันนะแม้จะคิดลบคิดลายนี่มันก็ไม่ทําให้ใจเป็นทุกข์เพราะว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นนะไอ้ที่ทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปเป็นนะหรือว่าเข้าไปผักใสไอ้ที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นวิธีแห่งความสุขนะเพราะว่า มันช่วยทำให้จิตสงบได้จิตสงบได้ไม่ไม่ใช่เพราะไม่มีความคิดแต่เพราะความคิดมันไปรบกวนจิตใจไม่ได้นะ zones. อันนี้ต้องเข้าใจชัดนะจิตสงบเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่มีความคิดนะแต่เพราะความคิดหรืออารมณ์เนี่ยมันไปรบกวนจิตใจไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดนะแต่เพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราหรือมาบงการชีวิตจิตใจของเราต่างหากมันคิดก็คิดไปนะแต่ใจนะ ไม่เป็นธาตุหรือถูกมันครอบงำอันนี้เพราะอะไรเพราะเราเห็นมันเห็นไม่ข้อเปิดเป็นนะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ย้าอยู่เสมอนะแม้แต่เวลาปวดนะปวดขานะเมื่อยขาอันนี้คือทุกขเวทนามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเห็นมันนะใจไม่ทุกข์นะใจก็ยังสงบได้กายปวดไปใจสงบแต่ที่ใจพลุก รุงพรานว่าวุ่นเนี่ยนะหุดหิวเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่าเข้าไปเป็นนะนะมันไม่ใช่แก้กายปวดนะมันแต่เข้าไปเป็นผู้ปวดอันนี้อันนี้เพราะไม่เห็นมันไม่เห็นความปวดอันนี้เป็นวิธีแห่งความสุขนะซึ่งนะมันไม่ต้องอาศัยาการหน้าดําข่ําเคร่งหรือว่าการทําให้มันซีเรียสนะทา เ, เล่นนะ แต่ว่าทําจริงๆนะอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านาท่านตบท้ายเนี่ยทำเล่นๆแต่ทําจริงๆกเรทนเล่นๆก็คือว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้คิดจะเอาชนะมันจะพลังมันจะเพล่บ้างไม่เป็นไรแต่ว่าทําตั้งแต่เช้าจดเย็นทำเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนเลยทีเดียวนะก็คือทําความรสึกตัวนะกับทุกอิริยาบถรวมทั้งสร้างอิริยาบถนะสร้างอิริยาบถ นะสร้างการกระทำขึ้นมาการอ่านหน้าถูฟันเนี่ยมันเป็นไปนะตามธรรมดาในชีวิตประจาวันแต่เรามีการเพิ่มเข้ามานะสองอย่างก็คือการสร้างจังหวะการเดินจงกรมนะเดินกลับไปกลับมาอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการสร้างนะที่มันไม่ใช่เป็นปกติธรรมดานในชีวิตประจาวันนะแต่ว่ามันก็สามารถจะเป็นตัว กระตุน้นธาตุรู้หรือว่าสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นนะเป็นคล้ายๆเหมือนกับแบบฝึกการให้เรามาฝึกดูกายดูใจเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะเห็นกายเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เห็นด้วยตานะแต่มันเห็นด้วยสติคือรู้สึกนะเวลามันเคลื่อนนะไม่ว่าจะขยับมือหรือขยับขาก็รู้สึกนะ แม้หลับตาอยู่นะก็เห็นนะคือรู้ว่ากายเคลื่อนไหวเพราะว่ามีสติมีความรู้สึกตัวพอมันคิดนึกอะไรก็รู้นะว่าเผลอคิดไปแต่ใหม่ๆเนี่ยนะมันยังไม่ทันจิตสติไม่ไวพอนะที่จะไปรู้ทันความคิดนะมันก็ให้ให้รู้กายไปก่อนนะให้รู้สึกไปก่อนนะรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรนะทำไปเล่นๆแต่ว่าทําไม่หยุด นะยิ้มย้มแต่มใสยนะอย่าไปคิดว่ามันต้องทุกข์นะมันถึงจะประสบความสําเร็จนะคือพ้นทุกข์นะมันไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้นะทำด้วยใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายนะมันก็สามารถจะนะพาเราเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้แม้เส้นทางมันจะไกลนะแต่ว่ามันก็เป็นทางตรงนะที่จะพาให้เรานะ ได้เข้าถึงจุดหมายการปฏิบัตินะอย่างที่พู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยนะความสุขนะมันจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยความสุขนะและการเจริญสตินั่นแหละก็คือวิทยียนความสุขคำนี้ก็เพื่อเท่านี้นะอกราบพระ